หลับมาบ้านหุ้คุยกันจังเลยบวชที่ปราบไม่รู้ไปบวชที่ไหนมาดิฉันเนี่ยสิดาเยอะเกิหลวงพ่อเอ้ยเขาบวชกันเ้าวันฉันดูแค่สามวันฉันแค่ไปขั้นถึงดาวดึงโอ้โหสามวันบอกยอมอาตมาเนี่ยทำมาสี่ปีแล้วไปเจ้ก็ปีล้วยังไม่ดึงก็คือเลยไม่มีใครดึงไม่ยอมรอนเดินมาแล้วเดินเนี่ยจ้ะฉันดินเนี่จ้ะ พูดไมเป็นแกนะอายุไม่มากแล้วเจ็ดที่สองโ <c oughs> ดนเดินนอนเดินนีน่ก็เดนินไปลงนรกเพราว่าก็ดีกไบางคนเนี่ยรักษาโบสดสามสิบ ป, ปีเนี่ยพอกะดินไม่พักพอดาบไม่พักตายเป็นเกรดตายเป็นเกรดตรงไหน่นที่รักษาวโบสดที่มันกําหนดไว้ว่าไม่จะเกิโดโยนตอบในใจด้วยมารักษาโบสดแบบมานั่งเป่ากระาโพสถัง พรลาพังหลายหลังมาแต่เหนืองไก่น้ำลายไหลยดืดดูดละพอมาเท้ตามโบลาหันมาโมจกะเออวันนี้ไปวัดจะได้ครับถอะเฮงเน่ยังนิ้ถือวัดมาอย่าปฏิบัติธรรมมานั่งเฝ้าพรลาไปคืนหนึ่งกับวันหนึ่งเท่านั้นมาเอยวปฏิบัติที่ศาสนาเขาฝากไว้เวลาถึงมันเกิดโรอดขึ้นมาอุโบโสถตรงไห น, นล่ะรักษา <c oughs> ไม่ทิ้ก็มานั่งเฝ้าวัดมานั่งเฝ้าสิงสิงอย่างไรก็ไม่ ร, รู้ไอคําว่าโปกติก็ไม่รู้ กมจะได้เพราะไม่เคยเจเริญสติปัญญ า, าแต่ประการใดถึงก็ไม่มีด้วยอาชีมรักษาวโวสอดไม่ใช่วงไม่ถึงเนี่ยไม่โปรก็ตีเลยเนี่ยขาดสติในมา่ขาดสติจะมีแ น, นี่ยถึงจะมีได้ยังไงไม่มีตอนขาดสตินี่เองถึงไม่เป็นเปรตก็ไ ด, ด้ทุกข์ติงปฏิการขามีเยอะแยะประนาดหน้าที่ฏฐิเยอะเกินรักษาวโวสอดมาสามสิบปีก็รายุบปาสิบปีแล้ว ตายเด็ดเด็ด้ะเข้าเขาที่บางมายมเนี่เองตระมาจะไม่ขอกล่าวน้อมเรื่องเรื่อ ง, องนี้ทั้งทานมาอำนาจโกรธพานนี้เดียวไปเศษเลยในทางรักษาโบสดแล้วก็กำจัดกปุรุข้อ น, นี้ได้นี่สาว่าแก้ปัญหาเนี่ยคือที่ปฏิบัติที่แก้ตรงไหนแก้สิตาหูจมูกลิ้นกายใจหน้าที่จะพาชีวิตของตอนที่จะต้องแก้ปัจจุบันธรรมแต่ตรมากล่าวมาหลายครั้งอดีตจะมาเลื่อเฟินแกอดีตจะมาเลื่อเฟินเรื่องอื่นจะทึกงแก่ พิชิตชอบทำไมไม่ทำนี่ปัจจุบันเห็นชัดิเนี่ยาไปเลือฟื้นไปไหนก็ปากปากไวใจก็เบาซะด้วยเนยปากไวถือพูดเลยไม่มีหูลูกขาดอะไรขาดศิลไม่มีก็ติอยู่ตรงนี้เนี่ยตีต้องแกปัญหาแต่เราก็ไม่สามารถจะเอาสติได้กับตัวเราได้กระมาพูดอว้ก่อนแล้วคนก็งโงชช่ชอบเอาิชิตไ้ที่ปากพอพูดลามป้ามาโดยเรื่องรา คนฉลาดก็เอาสติวิจัยคือผู้ปฏิบัตินี้เอาสติวิจัยมันก็แก้ปัญหาได้สิไปแก้ปัญหาเนี่ยลดน้ําต้นไม้ที่ยอดให้มันออกดอกไปไวให้ผลผลออกมาสู่ท้องตลาดไปไวนี้ที่ไหนมีคนมากนะมักได้เอาน้ําไปฉีดยอดให้มันออกดอกแก่รากไม่ลดคึกคักรับรองไม่งอกงามเน่นอนจิตใจก็ไม่สบายเศร้าหมองอยู่เสมอมันไม่ใี่ไปหนา้าฟาวซงอย่างที่กล่าวมาก็าต้อนแต่เด็กเคยไหว้พระ สวดมนต์ภาวนาแต่ปผลการใดก็สวดมนต์ตามเขาไปตามเข้าไปเขว่าอย่างไงก็ว่าตามเข้าไปจนอายุมากถึง80ปีแล้วตายไปเป็นเปรตหน้าที่ใดมากขอฝากท่านผู้ปฏิบัติธรรมด้วยดูยดตรงไห น, นแก้ปัญหากรรมฐานแก้ปัญหาหน้ า, ห น, าหน้าที่สภาพชีวิตมันแก้อยู่ทุกเวลาแล้วแต่เราไม่กําหนดแต่ทีนี้พอปฏิบนะัติแล้วกลับไปบ้านเลิกเลยเอากรรมฐานทิ้งไว้ทิวะอภูวันทุกที ตาหูเดี๋ยตาดูหูฟังปากนิ่งก็ไม่เอาแล้วตาเห็นก็ไปกําหนดว่าเห็นหนอเสียงหนอนี่เป็นการแก้ปัญหาเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาว่าเห็นอะไรขึ้นมาเนี่ยควรจะแก้อย่างไรควรจะทำอย่างไงนี่แก้ปัญหาเรียกว่ากรรมฐานแก้ปัญหาแต่ยืงเสียงเขาดา่าเสียงเขาคุยกันเขาจะมาเล่นงานเราเนะ่ยไอปัญญาที่จะเกิดจากที่เรากำหนดจากหูมันก็ออกมาแก้ปัญหาอย่างนี้ก็แก่แล้ว อย่ายิงเพียงแบบนี้ก็แกแล้วแก้ยังไงต้องใช้วาทะอย่าลดละาวนามีปัญญาก็ออกมาแก้ปัญหากําหนดคิดหนอก่อนกำหนดรู้ให้ได้เว่ามันรู้จริงหรือรู้ถูกใจรู้ถูกก็ก็ถูถกกล้องแล้วมันก็แก้ปัญหาได้ถ้ามัน ม, มันถูกใจแก้แก้เป็นการถูกไม่เค่แก้มันการถูกปัญหาเป็นการสร้างปัญหาไม่เชยน้อยคือความถูกใจมีกับปัญหาแก้ไม่ได้ ไม่ใช่หมายความมาทันมีเงินได้พันล้านจะแก้ปัญหาได้ฮนะแก้ปัญหาได้มีความรู้ไปนอกเตอร์แก้ปัญหาได้มม ไ, ไ, ดไม่จริงแล้วก็มาประสบมาทิวัติที่เลยสามมือไปนอกเตอร์ภรรยาไปนอกเตอร์มีลูกหกคนทำไมจึนเท้าน้ำน้ําตาทุกวันมันแก้ตรงไหนเอาวิชาตามตรงไหนมาแก้ขอฝากไว้ต้องเอากรรมฐ า, านมาแก้ปัญหากรรมฐ า, านนั่นมาจากบทไหนเอามาจากทางสายเอสายเยยีุสายอื่นมัวไปพุกโพ พุทโธแก้ปัญหาพุทโธ ร, รับรองดึงทุขสิทาไมีสมาธิดีแต่สติไม่พัฒนาจิต ท, ท่านจะไม่พัฒนาจิต ท, ท่านจะไม่เลเลอะเลอะเริ่มอาแก้ปัญห า, อ, า, รร า, าออกมาทำมสิตผันสาพุทให้ใเข้าทวยเขยออกแต่ดีสมาธิสำหรับสำหรับเรียนไสยศาสต ร, ร์เพื่อจะเรียนไสยศาสต ร, ร์เรียนเวกมนต์โนตะกาถาก็าาดีแต่แก้ปัญหาพุทไม่ได้เพฝากรู้แตแก้ปัญหาพุมไม่ได้เพราะประสบมาเอง ยาสีอยากจะม่ิดเด็กสเสดชาโนภาพเรียนมโนยิธิพอเรียนมโนยิธิก็แก้ปัญหาทุกไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้อะไรจะแก้ปัญหาได้นี่เนี่ยการแก้ปัญหาการเจริญสติประาทานสอแก้ปัญหาได้ทุกเวลาแต่โยมไม่เอามาใช้ไม่เอาออมาใช้แก้ปัญหาเลยลืมเสียทึ้งเลยปัจจุบันทําไม่เอาเลยก็เป็นการสร้างปัญหาหมีทุกในบ้านในครอบครัว ไม่สามารถแก้ปัญหาในวานครอบครัวได้เลยแล้วไม่สามารถจะไปแก้ปัญหาลูกหลานได้แล้วในศานะเราไปลูกหลานไม่สามารถจะแก้ปัญหาหบิดยามันดาได้รา่การเจริญปฏิปัณณ์สี่ขอขออบอันเดียวว่าแก้ได้ขอยืนยันแก้ได้โดยปัจจุบันธรรมเนี่ยต้องปฏิบัติไม่ได้ได้ปัจจุบันธรรมอย่างคุณแม่สอนเห็นหนอต้องให้เห็นได้ปัจจุบันเลยไม่จะเห็นหนอ ตาเสือกไปดูเหตุที่โดนเห็ุที่ดีแล้วก็หนดยังได้ใชไไ้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวอยากจะเห็นคนสวยก็นหน่อยพอเห็นคนสวยก็เห็นหนอลาลอบล็อกฮีเลตมาบา้านตะไครเลยเนี่ยนี่ไปแสหาร์ดฮีเลตไปแสหาร์ดฮีเลตเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคนโน้นหน่อยคนนี้หน่อยพาเสือกไปดูไปเจอคนไม่ถูกกันเห็นหน่อยเนอน่อ ย, อยไปกูว่าเลยกูว่าจะให้เจอมาแล้วทีน่ะ ก็ปฏิบัติทําให้ขึ้นใจก็หน่อยเมื่อวันเชิญนี้เจอคนไม่ถูกกันก็เลยที่หัวบันไดกลับบ้านไปเลยนี่งานนี้กจะอบอกเขากลับไปแล้วไม่รู้ไข่มีเหลือแก้ปัญหาเป็นการสร้างปัญหาทีเดียวเขาตาเขาด้วยเห็นด้วยปัญญาข อ, อคนนี้ไม่ถูกกันมาเนี่ยคนนี้ทําทั่วกับเราหรือเจรินเรากับเราเขาทำให้เราเสียใจมาจากข้งก่อนพอเห็นเห็นหนอ เห็นหรอเห็นด้วยปัญญาปัญญาจากคอมพิวเตอร์ตีออกมาไอ้สติเําไมชัญญะเป็นข้อมูลเนี่ยเป็นความถูกก็ป้อนเข้าไปพับมันจะออกมาอย่างนี้อ๋อคนนี้ไม่ถูกเราน่าสงสารควรจะช่วยเขาอย่างไรแน่ๆกลับไปสงสารคนคู่กรณีเป็นตัตรูกับตรงกันข้ามเลยนะนี่เป็นการแก้ปัญหาได้อีกข้อนึง ม่จะเห็นล่าสบัดตูดไปเลยขึ้นรถเลยกลับเลยเมื่อวันตรีนี่เองแต่จะบอกเลยอันนี้พูดให้ฟังเป็นแมวพิษที่มาที่นี่หลายครั้งแล้วแต่เจอคนไม่ถูกกานเจ้าคู่กรณีที่ฟ้องศาลกันมาเลยก็กลับเลยหันกลับเลยเนืองว่าไม่เจอคนที่ามาเจอเข้าจังหน้าเลยนี่เลยกลับเป็นบาปสองคูณต่อไปนี่หรือแม่ปัญหามาเป็นการสร้างปัญหาให้จิตใจของเราในนี้น นีคนที่ปฏิบัติธรรมได้เขาจริญพอ่อนใคเจอคนทั่วทาตัวไม่ดีลูกหลานจะเป็นญากสี่น้องก็ดีเปรียบไม่พอใจแน่นอนนีแต่ปัญหาเราไปเกลียดเขาไม่มีจะปัญหาถ้าหากว่าเรารุกซึ่งในรสธระทำคุณธรรมของผู้เจ้าอย่างปฏิบัตินี้แนละ้วทุกประการรับรองได้เล ย, เ, ลยเห็นคนที่ไม่ถูกกันเห็นคนที่ลูกหลานทําทั่วคนนั้นทําไม่ดีจะหันมุมกราบคอมพิวเตอร์เตี๊ยกมาว่าปฏิบัติ นี่ปัจจุบันเกิดสงสารแม่ตาคนที่ทำทุ่ข์ไม่ใช่ไปโผล ป, ปัญหาแล้วไปสร้างปัญหาให้เกียรติหนักกาทนทำอย่างนั้นไม่ได้คุณธรรมขอฝากก็ได้ได้ปัจจุบันการทคือเห็นด้วยปัญญาฟังก็ต้องฟังด้วยปัญญาอ่เพระเนาะฉะนั้นมรรคแปดบอกไว้ชัดคือปัญญาแปลว่าคิดถูกต้องไปคิดหนอเห็นแปลว่าพูดโผลก้างพู ด, พดเป็นประโยชน์ต่อตอนเป็นประโยชน์ต่อท่าน อยู่ในมกักแฝดครบสมาธิแปลว่าทำอะไรทุกอย่างถูกต้องและทำเป็นเด้ไม่เช่เสียหายนี่แก้ปัญหาเด้ถ้าเราพูดเป็นประโยชน์ต่อกันมันก็เป็นการแก้ปัญหาไปในตัวของมันเราเห็นเห็นด้วยความถูกต้องมีความเห็นอะไรในมักแฝทครบแล้วขอฝากไว้ด้วยมีปัญญา มันก็เห็นสิ่งที่ถูกต้องที่อยากแก้ไขว่ามันบกพร่องตรงไหนมันมีบกพร่องในตัวเราอย่างไรกัภาพความไปอยู่ของสลานี่มันอะไรบกพร่องดูปั๊บเดียวรู้แล้วจะต้องแก้ตรงไหนก็ต้องเติมตรงไหนก็ต้องเพิ่มตรงไหนก็ต้องตัดตรงไหนออกนี่ปัญญานี่แปลว่าแก้ไขปัญหามาจากไหนเอามาจากกรรมาฐานกรรมาฐานนั่นแหะเป็นการแก้ปัญหาดีนะเหมือนอะไรเหมือนส ถ, ถาปนิกดูสิ่ง อนที่มี้สติกรรม่ชัญญาก็ะออกรูปแบบสวยงามมากจะยืนเดินจะนั่งนอนจะเลี้ยวซ้ายเลยี้วขวาจะคู่เหยียดเยียดขาน่ารักทุกคนท้งแบบออกมาคือสีนคู่กับพาะเหมาะเจาะแล้วเกินได้จังหวะจากคนเหมาะสมที่สดนี่การแก้ปัญหาตัวเองมันออกคนที่รูปแบบอย่างนี้นะและเราจะพูดอะไรออกมาเนี่ยคือสินคู่้วยสติกม่ชัญญะกาหนดก่อน ม่ีปฏิกรรมชัญญาก่อนคอมพิวเตอร์จะตีออกมาพูดหวาจาบปลิ้งอ่อยตาหวานนีจริงจึิงปากโอนลมปากหวานหูไม่รู้หายอ่ อ, อนหวานทดท้อยละมอยละไม้ท่านปริยามารยาทที่จะเดินออกไปน่ารักน่าใครน่ารักบางคนนี่สวยจริงๆเนะี่ยแต่เดินก็น่าเกลียดพูดก็น่าเกลียดแถมล่างชามก็น่าเกลียดมันน่าเกลียดไปหมด คนได้สวยไดหน้าละเป็นอย่างไรท่านจะคิดเองบางคนนี่เดินน่องเดินนี่กระทั่งที่เขาไม่ทําอะไรให้ตัวเองก็ไม่รู้ว่าเดินเป็นอย่างไรเห็นหนอเห็นหนอะืลื่นบอกไปไงโยมเป็นมเมืง่อไงจะได้อายาลมไม่ใช่เราข้าฉันเห็นอยู่คนนั้นมันเดินเดินไปยังไงใายไปใส่มาแล้วยอมเดินไปยังไงไม่รู้จ้าค่ะนี่ไปรู้คนอื่นเขาเดินไม่ดีได้ตัวเดินเป็นยังไง ตัวเดินจะยังไงไม่รู้จ้ะค่ะนี่คือไม่มีสิ่งถ้ามีสติสัมปชัญญะกาหนดอยู่เสมอนะเราจะเดินตรงกับเดินมีสติสัมปชัญญะรับรองเดินมีสติแหลยอมจะวิ่งไปก็ใายหน้าใส่หลังได้จังหวะทิ้งลงฉับกลับลงแปรรับรองไปกับเขาได้สาคัญเดินไม่ได้จังหวะเพื่อีกเนี่ยเขาเดินก้าวโนยผาเขือกไปทางนี้เนีมันจะถูกจังหวะไหมสวยไหมเนี่ย นี่ตัวขาวปฏิถูสินสินามาจากไหนแม่ก่อนจำเป็นไปลาบกับลนะก็มาว่าไม่ต่อนมีสินอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่เคยออกมาใช้ไปประโยชน์เลยการที่ดึกคุณแม่สอนไงต้องการเอาสินจากตัวของเราทุกคนเอาออกมาใช้ขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอนี่สีนแล้วก็คุณแม่อธิบายทีหลังเนอะมากแปดอยู่นี่นั่นเสร็จขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอหนี่มากแปดหมดนะไอ้นอนหนอหนอเป็นอะไรคุณแม่อธิบายแล้ว นะีรอเคยดีๆๆเนี่ยจะอธิบายอยเง้ยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคนที่แก้ปัญหาได้ก็ไม่มีปัญหาเพราบอกไว้วันนี้นาชากแก้ปัญหาอย่างเงี้ยทียขมิบรัฐบาลตึกก้อนตรีมตรีไม่มีปัญหาในนี้ปัหาแดด้นแดดั้นในนี้ปัญหาเอน้องชายมันนี้ปัญหาอ่เพราะนาชากจะมีกรรมฐานนะี ใครไปด่าไปอะไรเนี่ยเอ า, ออาเอาแน่ลำโพงมาไอคอนไอพวกไม้มาตีตีกั อ, อ, อ, อ น, นี่จะจะยืดโลติสัตบ้าในในวางไว้วาใจแต่นายกที่รัอบานก็นนได้ิีตีของน้องน้องทำได้เออยืดโลติสมากี่โลติกจะยืดหรือแจกได้รัฐ บ, บาลไม่ไหวไงเห็นไหม เขายังไม่หวั่นไหวแล้วเราจะไปหว่นไหวในตัวเราเพราะนั้นการเจริญสติไม่มีการหว่นไหวไม่มีการหละหลวมไม่มีการหล่อแหล่ไม่มีการเหลวไหลขอฝากไว้ไอ้คนหล่อแหล่หละหลวมเหลวไหลไม่ใช่นักกรรมฐานแก่ปัญหาไม่ได้ใจอ่อนปวกเปียกหมดนะคนใจอ่อนใจปวกเปียกเหยี่ยวผีก็จะเข้าเจ้าปุจิงขอฝากไว้ไปสวดทานยากเดี๋ยวก็ลองดิ้งเวทไม่ใช่นักกรรมฐานนะ ตอนที่มีกรรมฐ า, านจะไม่ลองถีจะไม่เข้าถิ่มเอาหมาเขาด้วยมีแม่ถีเข้าถิ่มอ๋อหลวงพ่อคะตั้งแต่มานั่งกรรมฐ า, านสองวันแล้วหมอดูเขาบอกมีองค์ต้องไปรับขันบอกมารับขันทีนี้นี่ขันห้าขันห้าหลุดนาะไปอรมรับไปใช่ไมไม่ต้องไปรับพระเจ้าหรอกแหมหลวงพ่อคะ ห, หนูมาเรียนปริญญาโทมันป่วยด้วยเลย เลยไปหาเจ้าเจ้าเขาบอกมารับขันเจ้าก็ไหนรับเลยเดี๋ยวนี้ไปรับขันแล้วหนูคนนั้นปัญญาโทรเรียนนะสามปีจะเสียงอย่างนี้หแล้วเลยไปรับขันเดี๋ยวนี้ออกจากปริญญาโทแล้ว่ า, <c oughs> าสงสารมากขอฝากไว้คงมีลูกหลานจะทีดนั้นมีก็ตีดีไปดีเข้าสองแต่เจ้าผีผีเข้าสอง ม, งมีจริงไหมจริง แต่ทำไมไม่ต้องการจะทามันเสียเวลามันแก้ปัญหาไม่ได้อด เ, เอฝาะว่ด้วยเนาะยอมชอบไปกันไม่จะยอมที่นี่เนาะยอมที่อื่นก็ไปหาเจ้าขอย ง, งกันแล้วก็ไปหาหมอดูด้วยแต่เรามาฝึกกล้องการไปที่เพศโหลาอยู่คือว่ารจะผ่าดเป็นหมอเอกเลยหมอเอกก็ต้องเดินทางสาเอกถึงจะไปที่เพศจละคือตัวสตรีนี่จะเป็นหมอเอกละ ดูหน้าชูประการแก้ปัญหาก็ได้จะดูเนื้อคู่กัอะไรเงี้ยนี่ขอประธานโทษขออภัยด้วยแต่คนไหนยังไม่มีเนืน้อคู่ยังไม่แต่งงานโปดเป็นที่เพ่งกัจะได้ดูว่าคนไหนเป็นเนื้อคู่กับเราเอาวันเดือนปีไปสวนการตามวัดเป็นพระหมอดูเออโยมวันได้เดือนถึงกันเป็นเนื้อคู่กันเออไม่ใช่ตามล า, พ, า, ลาพุทธเจ้าตามลาพรธเจ้ามันก็ต้องจิตใจเข้ากันหน้า เข้าสเปกกันได้ไหมเข้าไซเคิลก็กได้ไหมสเปกเดียวกันรึเปล่าวนะิชาเอกันเดียวก็เวกรเปล่าก็ถูกมากกว่าเนี่ยบางทีพ่อแม่ไม่รู้ภาษาเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่ที่นึกขอพายพ่อแม่ที่โน่นที่ไม่รู้ภาษาระดบับมีความรู้สูงไม่แต่งเท่นนี้เอาวันเดือนตีไปแล้วเศรษีไม่ได้แต่งานกันเอ่าไปวันดีละก็ ล, ล้มเละหมอนุบนะหมอนุกแต่ไม่ใช่พลาดงันนี้ อยอมยอมอ๋อราชาโชคหรือกันเลยเนี่ยบุญรไ ม, ม่ทชอกเลยแแวแวแ ว, แวแต็มแล้วกระ ท, ทั้งได้เด็ียดยังไม่รู้จักกันเลยเนะเป็นได้หรือขอฝากว่าพุทธเจ้าบอกต้องใจเข้ากันได้จิตใจเข้ากันได้ต้องรักกันและคุณเคยกันเป็นญ า, าตกากาิกันซีตรีสามัญกาเสมอกันดูการตั้งนา น, านพอจะเข้าสเปกพอจะเข้าใจเกินก็ได้เวกนาทีหมุนกีสิละ ทำมารอบเดียวการสเปคเดียวกันคอมพิวเตอร์อเดียวกันโอเคเนอย่างนี้อะไรกันแต่งงานกันมาสองวันมาเนี่ยหลวงพ่อคะฉันจะรีบมีครอบครัวเนี่ยฉันก็อายุสามสิบเนี่ยเขามาขอฉันสิบลายมารักฉันตั้งสิบคนเอาไหนกันแน่คนไหนเป็นนักพรูเนี่ยบอกวันนี้เป็หมอดูถ้าหนูอยากจะลูกเป็นมาดูมาน้ากรรมฐานกัเดี๋ยวลู้ มัลกรรมฐานา ร, ร, า ร, รู้แน่เทาไม่นั่งกรรมฐานหนูหนูพ่อดูให้ไม่ได้เลยหาว่าอากามาเป็นมันดูไม่ใช่มาดูหมอเดาเดาถูกด้วยจิเดาถูกด้วยแต่ใครอยากใช้ได้อย่างนี้ก็ น, นั่งกระเรียนปฏิปทานสี่เดี๋ยวก็รู้ว่าเมื่อคู่เป็นยังไงติดใจตรงกันไหมอย่าช่นกามาเคยเล่าไอแก้ปัญหาอย่างนี้มันแก้ไม่ได้ผู้ชายเป็นตลาดระเเภอปริญญาโทอเมริกา ไปแต่งงานกับานางสาวคนหนึ่งไป น, นางเอกริเตแม้ไกลคุยเขาไปากระดินแต่งงานจะนได้แล้วก็เลิกกันตายตามน้าที่ น, น, นีแล้วเนี่ยเนื้อคู่พระมดูบอกไม่รู้พระวัดไหนคงจะตายไปแล้วคงจะตายไปแล้วดูข้อคาก็ด้วยพรรมาฐานแก้กรรมนี้ไม่อยากกงแก้ปัจจุบันอย่าไปเลือกเฟินเนี่ย อย่าไปวิปัสสนึกเอานะตรวจมดแโนนึกโน่นนึกนี่แล้วก็ถูกก้องอย่างน่านึ่งกต้องเอาปัจจุบันธรรมที่คุณแม่สอนอยางกอให้มันกร้จัาะฟังเสียงให้กระจายกาหนดปวดหนอให้ม่ได้ปัจจุบันถ้าได้ปัจจุบันมันจะแยกวิทยาออกเป็นสัดส่วนรูปนามสามห้าแยกได้ถ้าไม่คนละปัจจุบันแต่ดีต้ออนาคตมัาจับโซนเวามาดแยกไม่ออกในเมื่อแยกไม่ออกมันก็แน่นเข่าปบนเป็นการสร้างปัญหาหนะ ม่มีการแก้ปัญหาแก้ปัญญาได้ขอฝากไว้วันนั้นอาจจะมาไปหุ้ยหินเห็นหนอไปข้างทางเรื่อยเดี๋ยวไปถึงหุ้ยหินจะวิจัยได้เนี่ยนี่นี่เทคนิค แ, แนวเทคนิคตแัแต่เพชรบุรีไปลาดลาดบุรีไปเพชรบุรีจากเพชรบุรีไปชะอามจากชะอามไปถึงหุ้ยหินเห็นหนอเห็นหนอหนอไปทําไมหนอเขาสร้างตึกทางถนนเต็มไปหมด ส้างไว้ทํามเห็นเนอเห็นเนอะรู้เลยโจดดูสิเดี๋ยวจะไปถามพวกผู้หญินจากลงก็ต้ทีเรานึกเห็นเนอะไหมนี่แก่ปัญหาถามบางคนก็ไปรู้เ่ยก็ถามหัวใสไสหัวนักเรีงใหญ่ใครได้ทําไมสร้างไม่มีใครมาซื้อหรอกเนึกอคุณในกายฉับผู้หญิองมันไม่มีตลาดจะสร้างปปว่าเป็นแถวไปทํามาป็นสามชั้นสามชั้นสามชั้นตามไปแถวไปเรือก็ต้องหูวหินต้องทะเล สร้างไว้ทำการไม่มีใครจะไปอยู่แต่มีคนจองหมดแล้วเพื่อเหตุใดแต่มาทําการพาณิชก็ขายไม่ได้คนผู้คนไม่มีทําไมขายได้หมดเพื่อเหเห็นหนอเห็นหนอบอกแหละบอกจดย์โจทย์ไม่เช่นี่แต่ปัญหาเหละยเราเดินไปเจอไปหัห ย, ยินบอกเขาสร้างโรงแรมเขาว่าเดี๋ยวนี้จะขายสี่ร้อยล้านกระดับไมว่ามันจะตาง แต่อย่าลืมน ะ, ะหยินเนี่ยอันนี้ไม่ใช่พูด น, นอกเรื่อเนียเห็นหนอนนะหัวหยินเนี่ ย, ยใครจะขายกี่ล้านคอยบอกขายมีคนซื้อหมดปัญหามีเาเคนือไม่ขายเอาสิแค่ ง, งานเดียวนิดเดียวเขาจะซื้อบอกเท่าไรด้วยแปดล้านแปดล้านคอยขายขายแล้านก็ซื้อสิบล้านก็ซื้อเอาไงไมีดูกลมหนึ่งถ้าสิบขอบเพื่อ มีเนื้อที่100ร้อยก็แล้วทำหมากินทำไร่ทำโองค์ทําะายในระหว่างห้าสิบครอบครัวและอีกห้าสิบคอบครัวอยู่ริมทะเลชาวประมงอยู่ริมทะเลชาวประมงนะชาวประมงทำหมากินประกอบชีพการงานอย่างนี้เงินก็พอสะพัดทำไร่ก็พออยู่พออยู่ได้จนลูกหลานพอส่งลูกเรียนซื้อได้ไม่เดือดรอดือดร้อนยอ น, นยทําไมผู้มีเงินสังหลายซื้อหมด ลายเทไลขายเป็นวาขายไปคืบสิบล้านขายไหมไม่ขายห้าสิบล้านห้าสิบล้านขายไหมไม่ขายรอยลานคือคือหมดเลยคือแล้วก็หมดอาชีพการงานใหนมาหมดอาชีพการงานแล้วนะก็รวมเงินมาเป็นเงนก่อก็มาอยู่ที่ไหนอยู่ที่เขตสี่ก่อสร้างไว้ดาำรินพนนมาเจ้ามามาเส็มอยู่หมดเป็กสาแวแสดงว่าไมีเงนนะที่อยู่แล้ว แล้วทำนายเงินได้ไปเลรอลอยละซื้อรถเบ้นให้ลูกกื้อมาเตอร์สไซให้ลูกซื้นอนให้ลูกกื้นี่ให้ลูกแล้วก็เครื่องทุนแล้วเครื่องก็ดูดก็บาให้ยังเศษผีก็ดึงเอาฝากไปในโอกาสต่อมาเนี่ยเห็นหนอเห็นหนอหมดเงินแล้วทำนายที่ทางก็หมดแล้วก็กลับไปเป็นลูกการญี่ปูนอยู่ที่โรงงานต่อไปเนี่เห็นหนอก็ฝากก็ด้วยเนี่ยไม่ใช่เรืเร่องเลวอะไรก็มาไปถามเขาบอกจริงตามเป้านี้ คนเศรษฐีมีเงินหลายพันล้านก็บอกตรงก็จะมาที่เห็นหนอเทิดาอาว่าก็ด้วยนี่มันมีประโยชน์ชนี่ไหมมีประโยชน์นะสาคัญเห็นหนอโอ้ยเต่ง ส, สวยจางถ้าต้องมาซื้อแล้วยิ้มพิดเนี่ยนะไม่จะแก้ปัญหานะเข้าในหลักพุทธธรรมนายพุทธเจ้ากำนายไว้ผู้ดจีดจะเดินกรอกที่คออจะเดินถนนนะอว่ากันเลยๆทั้งหลายเลื่อนทไมผู้ดีไปเดินกรอกที่ค้อกปเดินถนน ผู้ดีมีปัญญาเข้าจอกหมดเอาเนื้อที่ไว้หมดขาที่สงบอยู่มีความจำมีในตาจก็ว่าไปไอ้ขี้เคาะถือกระเป๋าขายที่ไรทางหมดมาเดินตามถนนไแถวหมดดูตามตึกลิ้นถนนไปแถวเลยนี่สิกขี้เคาะออกมาอยู่การถนนหมดไอ้ผู้ดีเดินจอกกราก็เดินยะาจิ้งเทศประการใดไปที่ทานาเวอวนก็มาขอพูดสัน้นๆจะพูดมากตอนนี้มันจะดึก นี่การแก้ปัญหาเห็นหนอไม่จะเห็นหนอสึกนี่สวยต้มาซื้อขายของรู้ไหมขายได้เปล่า น, นีเลี้ยงถนนเนี่ยเลี้ยงถนนเขาบอกไว้ด้วยในปน่าในโดงก็ต้องมาซื้อก็มีเงินไปลอยล้านมีเงินบางคนต้องสามล้านมีเงื่อนที่อยู่ก็ขายสามล้านไม่เคยเห็นเงินเป็นล้านเลยลงทุนทีแรกแค่หมื่นเดียวขายได้สึงสามล้านมันก็น่าอยู่ตึกเลยก็มาอยู่กันแถวไอทีไปแถวนั่นก็ มาแจ้งเลยซื้อเลยใต้คนที่ไปซื้อนนเนี่ยซื้อที่เดียแหละมันจะสร้างเตรียมให้เขาอยู่เข้าในตําราผู้ถึงตำนายว่าผู้ดีจะเดินเกาที่ค้อจะเดินถนนเข้าในตำนานนี่แห้ะที่ขอบไปเดินตามถนนสือเข็มบังก็ไปแถวหมดขับรถบีเอมอย่างนั้นนะขับรถอย่างดีที่สุดเลยไอ้ที่ขอบเดินตามถนนหมดแต่ผู้ดีหาที่เดินอย่างนั้นไหมามาเดี๋ยวเดินขับสวนชับตึ้งชับแป้ง คนแชทติงเนี่ยในเด็คนมือปัญญาเนี่เดี๋ยวแชทติงอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวก็ติงตรงนี้ติงนอนติงนี่ติงของใน่กาบปากนี่ตี้อออกเดินตามถนนที่กินเนี่ยอันนี้ขอฝากไว้เป็นข้อคิดเท่า น, นั้นท่านร้ายจะคิดเองเนะขอฝากไว้เป็นข้อปัญญาสําหรับการเจริญแก้ปัญหาในเรื่องวิปัสนากรรมฐานแก้ปัญหาได้อย่างาแท้แจ๊กที่เราคุยกันนี่นะ เรื่องสนทนาการว่าจะเรื่องศึกษาปลองดองก่างเราฟังด้วยก็คิดด้วยกําหนดไปด้วยรับรองเรื่องนี้ไม่สําเร็จเรื่องนั้นสเร็จปัญญามันจะบอกเรื่องนี้ทําไม่ได้เรื่องนี้ทําได้นี่แก่ปัญหาอย่างนี้และเรื่องนี้จะเจ้ฑเรื่องนี้จะเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้จะเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะรู้ได้ว่าจะแผ่เมตตาให้ลูกคนนี้ไปเรียนต่างประเทศได้ไหมแล้วลูกจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็นางวิปัสสนาก็แผ่เมตตาเขา เดี๋ยวก็ทอนย้อนกลับมาแก้ปัญหามหาวิทยานี้คําไม่ได้ก้องรเรียนมหาวิทยาทันทีแบบนี้ก็ได้เนี่นี่แก้ปัญหามีประโยชน์แต่สาคัญเราไม่เคยเห็นหนอเอากิเลสมาใส่กันความสงบก็ไม่มีด้วยถ้าจะแก้ปัญหาดีางานมิกระเรื่อมยุ่งตรงนางตรงด่างไม่คลองดองไม่สามารถมีกันในระหว่างกายจะติดก็ไม่สามารถมีกันระหว่งางญาติพี่น้องก็ไม่สามารถมีกันในบ้านคุณซอนไหนก็มีการแก้ปัญหาได้หลักไม่มีเมตตาต่อกันเลย นี่การเจริญปรัชนากรรมฐานเป็นตาแก้ปัญหาได้แน่แล้วแก้กรรมคืออะไแต่กรรมทั้งหลายเจริญกุศลภาวนาไปสะสมหน่วยจิจจวัตรเห็นหนอบ้างหยิบหนอบ้างอยากหยิบหนออยากหยิบหนอขอให้ทำเรื่อยไปถ้าไปบ้านแล้วก็วิธีการทํางานก็คือกรรมฐานก็ต้องหยิบโน่นหยิบนี่ก็ต้องเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยขวาตู้ใหญ่ขาก็รอเวลาแล้วจะว่าไม่ว่างไม่มีเวลาอย่างไรท่านทำไว้สะสมหน่วยจิตไหม เดี๋ยวก็ปัญญาจะออกมาแก้ปัญหาให้แต่ไม่หมายความว่าท่านมาทําแล่ยเกิดปัญญาดูนี้เป็นการสะสมหน่วยจิตให้เกิดปัญญาแล้วเวลามีทุกข์มีร้อนปัญญาจะออกมาแก้ปัญหาหเองแต่ปัญหาแก้ปัญหาแล้วเราจะรู้เองว่าเรามีปัญญาขอให้จันทังหลายอีตสาตั้งใจทําและสะสมหน่วยจิตไปเรื่อยๆอย่าอตมาที่ทํามานี่นเวลานานแล้ว ห, หน่วยจิตมันก็บอกว่าเอกวันทีชิตตุลา นี่รู้ลวงนาหกเดือนท้าจะต้องตายรถชนตายแน่ๆเลยปัญญาก็ออกมาว่าทำไมรถชนคอหักตายเพราะเราไปหักคอนกมันจะออกมารับรองอย่างนี้กั น, ย, นยืนยันแล้วก็จำได้เราลึกได้ด้วยวันนี้ไปเยไปงานโคกสมลองมาเนี่ยไปเยี่ยมผู้ท่าก็ตีดีอายุก้าสิบสามล้มลงไปกับโคกคระเลยเอาน้มันไปให้ก็ช่วยแล้ว ก็ตีดีเล็กเกินนะเล่าเรื่องกระการนมสาวได้หมดก็ใหญ่สิ่งเล่าได้ไม่มีการหลงแต่ประการใดเพราะสวดมนต์ตระกาเ็ดเย็ดสวดมนต์อ่านหนังสือไม่ออกคนแก่คนเนี้โยผู้หญิงนี้อ่านหนัือไม่ออ ก, ก, ออออกจับสุดได้เรือนี้ก็ตีดีนะตรวจตีติต่อตรวจพาวงกามภูเทหงสาหนมแปดบทโยจากภุมาธรรมจากเนนทียมจีมานุนสตตรวจตลอดอ่านหนัือไม่ออก บอกยอมสวดได้ยัง่ะบอ ก, กจํำคนได้คนมีปัญญาคนมีสติดีจาแม่นก็กระชากฟังสนใจยิก็สวดมนตนะ์หนาข้าสวดได้เหมือนแม่จี้ก้อนทองตรงนี้เนะี่ยเทวดามาสวดสวดมนต์หนึ่งติสวดมหาไม่ตาใหญ่ได้เลยอ่านซื้อออกที่ไหนนี่แบบยายที่โวกสมองอายุการศกามานจะมาไปเยี่ยมมวืวานนี้เอาน้ำมันไปให้หายอ่ะพ่อชั่วเลยล้อมลงไปกับพ่อยันเลยหมอบอกชั่วยะได้ อายุมากแล้วผ่าตัดก็ไม่ได้ด้วยเอาละโยอมตรวดมอนเถอะตรวจ ม, นวจมนอนนั้นน้ำมันทาอนจะมาเนี่ยคอยทั่วเลยเหยไหมเนี่ยแล้วบอกตรวจมอนเนี่ยจมะมาฟังที่ตวดแจวเลยน้องถืออ่านไม่ออกเลยนะบอกคุณยายได้ยังไงเนี่ยได้แก่เป็นสาวอ่านหสือไม่ออกมาก่อนก็ไม่ได้เรียนหนังสือาการผู้หญิงรุ่นโยผู้หญิงรุ่นสาก็าไม่เรียนโยผู้ชายไปเรียนหนังสือวัดรัเป็นผู้สอนเลยเป็นรุ่นหนังสือ เลยก็สามอก็สอนให้สวดมนต์สวดได้ทุกบทเดี๋ยวนี้ไม่เคยทิเทียนมาแต่ตัวเดียวเอาหสือกลางมาแต่ก็ยังว่าทูกนี่เกที่สามเนี่ยก็ตีดีเรืเ่อยๆการสวดมนต์ไหว้พระเกิดองค์ภาวนาเนี่ยก็ให้ทำให้เกิดีดีบางคนเนี่ยอายุเจ็สบหลงเนี่ยไปเยี่ยมหลาคนมาเร็วๆเนี้ยอายุเจ็ดสิาแล้วก็ไม่ได้ทานอุจจาระเลอะเทอะเกือบเปื้อนจำลูกไม่ได้เลย ถาม่าเคยสวดมนต์มาไหมเน่ยถามลูกเขาบอกแม่ไอไม่เคยสวดเลยไม่เคยสวดมนต์เลยทำปิโตส่งพระขยันพระจะไปอยู่วัดไหนวัดไหนส่งปิโตทอดปลาปลาเกงแต่สติไม่ดีเลยพก็ไม่เคยฝึกสวดมนต์แล้วไม่เคยจเจริญปฏิปัฏฐานสี่นี่แต่อย่างนี้ไงจําลูกจําหลานไม่ได้เลยจําความไม่ได้ด้วยแประมาว่าแน่นอนตายไปในโกเนี่ยเพราะสติไม่ดีแก แต่โยมคนดี่รงท่าน 93, ่าที่สามกตดีมากตรวจมนจนหมดบอกอ่านคือไม่ออกเลยแต่จําแม่นปัญญาดีพรุ่งเช้ี้ก็ตีดีเนี่มาจำอะไรแม่นดีสามารถจะหาทีบายได้โดยงอแงมีปัญหาอยู่อย่างนี้ดังนั้นขอจเจริญพรว่าการอเยนาทอินทร์ที่คุณแม่ได้อธิบายแล้วนั่นอยากเป็นการแก้ปัญหาทิงนั้นไม่อากไปแก้คนที่หลับหูหลับตาพูดโธ ก็มาละหาแก่ดา n อยู่ก้นซี่คงไม่ด้ก็จะมาปฏิบัติงานหาจ้างก็เป็นมัดหมดกลี้ยงกาไม่รู้สั่งสมหาเหวอะไรเนี่ยเท่านี้ไม่แอ้ทําไม่ดีก็ว่าทำดีก็ว่าเอายังไงเอายไงวันที่แค่เนาดีก็โดนว่าก็โสดรถเงินใครจะว่าดีว่าชั่วไงก็ลงตัดทนิ่งได้จาง ฉันทนได้จ้ะฉันรอได้จ้ะฉันชาได้จ้ะฉันก็ต้องดิได้จ้ะทนต่อ่ไหเนี่ยมีตำราอ่ะได้ตำราที่ดีเลยคนมาวาอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้คนบอกว่าไอ้พจืมาสร้างมันก็ในนี้ที่ไหนเขาสงเาส้างเเชื่อมเลยเลยไปงานอันนี้สงมาแลยโยมมานงานอันสงมาเลยจะคนที่ว่าเราทองเดินเลยทองเดินเลยี เรียนกึงก็เรียกมาบอกก็ได้ไม่มาซะเลยรอาจมาอยู่ไม่บอาไม่เพลียแล้วบอกยอมเรารู้นี่มินทาเรายอมกาวนดีไหมดีครับดีก็เหนด้วยลียแต่เวลาลัหลังบาบาแหมก็เพลียนพูดคำยาเพี้นี่เห็นไมเนี่ยเวลาต่อหน้าบอกดีเป็นพ่อจ้างกันเลเวลาลัหลังเราปัดการหาเหอะไรนี่นี่จะตามเพี้วนกนยะ อันนี้สงดีโยนอันนี้สงดีจังเลยเห็นท่านตาเลยไม่พอเจ็บวันพองเดินเลย้องเดินก็ไปอยู่ในโบสถ์เชื่อนทางโบสถ์มี้นฮะมานอนบนเสลาเชื่อมบนสลามีอีกนฮะแล้วไปนอนมากุฏิจะมาให้อยาเชื่อมทางกุฏิจะมาก็มีพอสะดวกดีก็ไปบ้านหายมากราบเชื่อมากราบเชื่อหอกหมาหลวงพ่อเลยหมาสะดวกสบายทุกอย่างเลยนะครับสะบวกบายไห ผมขอลู้ระโท่ขอกายกรรมวัดคีกรรมมนโนกรรมอขอทําไมละ่ะเรารู้แล้วทําโง่โงบ่บอกเป็นบอกเป็นใหญ่ทำโง่ ท, งทงําไม่รู้กระท้ายที่เขาด่าเราอยู่ได้ครับไปรู้ไปชี้นะอย่าทํารู้อวดรู้ดูแบบบอกไปมางละโยมโอ้โหหลวงพ่อครับผมด่าหลวงพ่อว่าบา้าบ้ารเ่วไอะไรมากมายมาผมก็ไม่รู้นะครับเลยผมท่องเดินต้องตายโหนก้าหนวั น, นั้นเน่ะ เดินออกมาเป็นน้ำเลยเลยผมก็ได้สะดวกไปโบสถ์จะมีอข้างโบสถ์มาทีลาก็มีที่ลามาที่เมร์ก็มีที่เมร์แต่ผมตายก็สบายมีเสื่อนที่เมร์เด้อนั่นแน่นั่นน่เลไม่จึงเลยกราบใหญ่เลยจะกราบเชื่อมช่างประก่าเชื่อมอันนี้ของเคชื่อมมากแต่ขอไม่พูดไม่พูดละยอมก็รัวอนนี้ของเชื่อมไปไงเวลาปวดท้องนะไม่มีอเชื่อมไปยังไงนะ เช่นข้านากกนาแต่ไอพันธุนาก็ตืได้ไหนาบาดบหไม่ได้เะาจาสเลยที่เึ้าวต้งที่ายจังสะดวกพรที่ตานห้องเวจะกูดูเห็นสกปกหนีเป็นอบัตไหมยป็อบัตทอดหแต่ถ้าเดีวนี้ทไมอย่รักษอบัตบออบเบอร์ินได้สไรนั่นไงเป็นยังไงก่ออนีพูดเล่นะอย่าเอาเป็นจริงจังพูดเลนยมีไหนบอกมาชัด เน่ยเาอาจะโยมด้วยเลยก็สะดวกดีมันมีความสบายอาตมาไม่อยากจะพาโยมผู้หญิงไปไหนในสมัยก่อนไปวัดไหนก็ใส่ยุตเจอซะอึกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทําไมต้องสร้าง ท, ที่เมืองเดี๋ยวโยมจะทํามือกันมาว่าไม่นาให้เลี้ยงไปที่เมืองเมื่อก่อนนี้สมัยสามสิบตีโนดมีงานศรลีลากันมากแลือเกินทอดท่าที่เมเืองไปสุด เชผู้ใหญ่มาก็เลยเวลาพอนกันยะืนนั่นเนี่ยพอนกัยืนที่เมินะนะั่นเน่ยไม่ลูกี่ผืนไม่รู้เด็กก็ผู้ใหญ่สับสนก็หมดเลยขนแก่ก็แยะ่ก็สูงกระเบนนี่ลายเย็นจึงอยาหาจะมากราบคำหยาบนะก็ขึ้นไปคนมันแน่นคนมันเนี่ยก็ขึ้นเมินจะไปใส่ไ อ, ดอ้ดอกไม้จันใต่พวกแล้วก็ลงมาอัตา ม, มาบอกเอ๊น้ําเหลืองถีอหยดมาที่ผาโยม น้ำเหลืองถือเออบอกให้ื่กนจากไปเลยไปดูซิรลองถือติดไปข้นึ่งแค่น้้ำเหลืองไหลถูกโยงครับเลยโยงมก็ดลยยิงก็ลงข้าฉันเบาออกมาแล้วมันอันมานาน อ, น, อนี่มันนี้เหยียดเนี้ปะทะหลุดมาแล้วไม่ใช่เนราหนุนขาแล้วยมก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนะนี่ขาดจุกเบลเหยีดนี้เองทำให้เกิดมีความชึกกางช่วงไว้ใจน้ำ พอใจแล้วมันทนไม่ไหวก็มีบันไดลงบันไดลงก็เขา้าถึงนั้นออกหลังมเมืองตายนี่สะดวกเนี่ยเหตุนี้นายจ้างทรงเด็กอย่างที่เขาว่าจามพ่วงไปบ้าแล้วจะมาบอกเออมากคนดีแต่คนดีที่มมีชัว่วมันเขาถายนี่เปนจิตวัตรเขาบากบาปก็โยโยม่ได้คือโรงเรียนมีอะไรมีแล้วก็เหลือข้อศึท้ายอยากจะถามโยมว่าพักสะดวกไ้มเนี่ยมีอแล้วถ่ายคล้องมัม้ย โยมอาจารย์มันตามือสะดวกในการพักอสัญลัณ์ดูพระดลายถืกฐิโชตดูช่วกันดูกันหูตาด้วยนะก็ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติธรรมก็โยมอย่ากังวลโนเท่าใจเลยนะโยมตั้งใจปฏิบัติตั้งใจวันนี้นไปหาเลือมาขอประณานะ จะต้อปลาอะไรบอกเด็กเด็เดี๋ยวหามาให้ไม่เหลียวสนะคอมดีวัดเอาไปเลยถ้ามันจำเป็นต้องไปตลาดไปเคยมาเคยมาให้ได้ยไม่ต้องไปนะอย่าออกไปตลาดนะปฏิบัติจริงๆแล้วประการที่สห้ามลงแม่น้อย่าลงไปอาบน้ำกีานะมีอะไรรู้ไมมถือเาไม่ใช่ไม่ใช่นะ น, นายนายชายหาดเรือทำงานโชว์ประทาเมื่อสมัยนั้นน้ํามันแค่พออาจารย์าบอกว่านี่ท่นานโชว์ประทานี่เขามาวัดจะลอกครองอย่าเล่นน้ำเลยอย่าเล่นเครื่องอาจารย์มาเอออย่าข้าผมเป็นลูกน้ําเนี่ยไปชายหาเรือใส่กระชีบ น, นะ่นี่ผมออกมาทำงานโชว์ประทานเนี่ยไม่จำว่าผมตายเลยนะี่ว่าตายน้ําแค่พอว่ายตายจมหายไปเลยบอกเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยแล้วก็จมไปเลย แล้หาวัาผืหมอผื่อบอกผือจนใหดุไม่ใช่ปลาไฟฟ้ามือปลาไฟฟ้ามืออย่าลงนะใครอย่าลงไปอาบน้ำเสี่ยอันตรายถึงน้าเติมไปอย่าลงปลาไฟฟ้ามือไม่มาถูกเพือ่อใครละกนหมดเลยนะน้าแค่นิยาตาบางคือลยอย้มลงไปก็มูกไม่ลงไปกรนาเก็ไม่ไม่ตายเลยใครฝากก็อย่าอย่าลงน้ำอาบน้ําบดที่ บางแหงเมื่อสมัยปีไหนไม่ทราบพวกไปอาบน้าที่ท่าท์กันมีปัญหาขึ้นระบาดมากอย่าลงเลยนะโยมนะอย่าลงไปบทิชช่าท์แต่จะลงไปนั่นอยู่ตามท่ากันลื่ก็อาจจะเป็นได้อย่าลงน้ำอาบนะที่ทิชช่าเลยมันมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้เหนื่มากเมื่อพ่อกระถิ่นหลายปีมาแนละ้วน้ําแายเอวไอโยมกูเทพมาตายตายเลยวายน้าเกินด้วยเต้นด้วยแต่ทำไมตายละ ก็ดได้เพราะเหตุ น, นี้เองขอฝากไวอย่าลงแล้วการเป็นอยู่ยังไงผ่าตกบกล้องจะมาจะพยายามดูแต่นี่เรืนี้ต้องขอลาไปก่อนคืนหนึ่งจะไปหัวยืนคืนหนึ่งเรวนี้จะไปหัวยืนจะไปเฉลยจะอยยเอาเสี้ยนเฉลยมาแกงให้โยมนับทานนะเรืนี้ขอลาไปก่อนพรุ่งนี้มาใหม่นะ ตงนี้จะมาดูแลโยมร拉สุท้านีขออนุโมธนาให้พอทึดล่วนชีวิตกับโยมืูพุทธกาชสมาโผม่แห่งประเทศไทยและในชีวิตของคุณแม่ที่มาชี่แกงเริ่ม้มนมาตั้งแต่1 0อยคนสองร้ยคนสามร้ยคนห้า้ยคนเจ0้คนถึง8ปดร้อยคนในวันนี้จะดีืัดขยายพนาเพิกกว้าขงขวางออกไปถึงประเทศชาติและต่างประเทศด้วย อันนี้ตะมาขออนุโมทนาสาธทุการที่โยมมีบุญวาสนาที่มาที่นี่ตอนที่มีบุญวาทนาเนี่ยคุณจะกรเรินกรรมาฐานได้แต่ไล้วาสนาขาดบารมีไม่มีโอกาสจะกรเรินกรรมาฐานได้ไปทําบุญประเภทศสองกันเยอะประเภทหนึ่งนี่หาได้ทำไม่ไม่ทําให้กับตัวเองตัวเองก็ได้ก่กอดชัยไปสวรรค์นิพพานได้สมปราถนาทุกการขอขอบพระคุณขอบคุณขอบใจคุณยมทุกคบ และขอโนโมทนากัาบคุณแม่โยศแม่ฉลิ่ยลิงชัยพร้อมเด็กธนาจารย์ที่ท่านได้ให้ความร่วมมือร่วมใจทุกประการสู้ตลอดเหัวยันใต้ตลอดมาจนถึงนี้ก็หลายสิบปีแล้วขอขอบคุณขอบใจทุกท่านและก็พระเดชประคุณขจรเอาใจใส่ที่อยากโยม ด, ดูและตอนับพระอานันรปุจะที่มาในสู่โมจนเป็นการดีด้วย ขออนันใโมทนาจารุการขออังอื่นคุณนาถิรณาใจบุญกุศลทั้งหลายจะได้ประโยชนจากประธานทองให้ญาติโยมปฏิบัติธรรมได้สมบูรณ์ตามเป้าหมายการปฏิปัตญาณทั้งตนจุดแต่ปั้และขอเงาะงาในคำสัม่งมาปฏิบัติในหน้าที่ทุกประการและข อ, อจงเจริญด้วยอายุวันหน้าปีขาภพะละปฏิพานศาสนาสมบัติเมตถึกอึ่นประการไายสมความมุ่ง ม, มาดศาสนาด้วยการทุกรูปทุกนามน่าโอกาสบัดนี้เทม ขอจเจริญพรขอจเจริญพรคุณยมแม่ปรีเตนไทยแวดข้นนายกรัฐมนตรีากาสมาโคนแห่งประเทศไทยเนะี่ยพ่อเดยนลาสคุธรรมและคณะพนักงานทุกท่านณสถานที่การาสิทธรรมภาวนาในวันนี้ขอจเจริญพรบรรดาญาติพี่น้องพุทธบุตร ลูกโยคีทังหลายของคุณแม่ในวันนี้รอดเพลียนกันนะโอกาสแบบนี้วันนี้จะมาด้ยโอกาสมาขอชี้แจงแสดงสังข้อพอได้ใจความสควนเวลาในที่สมาคามุเพื่อให้ดุกเกณฑ์พ่อหนึ่งจะมาถามแก้ปัญหาด้วยเนี่อสองจรมาถานแก้กัรเรียอองาารล ดวงเล็ท้ายปัญญาให้เราคิดเคยเคยดููปฏิบัติธรรมเต ร, รียมการแบบขอท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจตังสกนะินากาบาิดขอใหเจริญนรมาไม่ไ้ว้นขอในหลักที่ว่าไม่ว่างงานแต่ว่างกิเลส เป็นเหตุให้มีการสงบศึกปราศจากภูกในขณะทํา ง, งานที่จะํางานจงเดินไปสะดวดเรื่อยเพราะเราไม่วางงานที่ทำเม่าวาโปรดจาไว้ว่ า, วาต้องวางดึกิื่นอาสวะพยาวะหังเป็นต้นแต่อย่าวางงานเลยคือกรรมฐาน เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องฝึกและทำงานอยู่ทุกวันแน่และกรร ม, มาฐานรับผิดชอบชีวิตสูงมือปัญญาแก้ไขปัญหาได้แน่แต่เรายังไม่ถึกจุดเชดว่ากรร ม, มาฐานทั่วไปเจ็ดวันในวัดอัมพวันมับเป็นวันที่ห้าแล้วตั้งแต่วันที่ยู่สกมาจนถึงที่สามสิบสุดสนเดือนในวันนี้แต่เพราะมือสามมา จะฉับเพ่อพรองถามไปจะขึ้นสึกจิตลงเฉพาะเดือน ม, มืกาในวันนี้นั้นก็จะเท้าเห ย, ยียบหญ้ายืดตัวนาฬิกาเพืนที่จะพาต่อไปก็วิกาถาสัปดาเห็นวิกาถาบุภาในการจะบิเพึงติดสมใหญ่ยิ่งก็วันนี้จะเริ่มเริ่มเท้าแห่งสัปดาวิก า, าถาเป็นการจะน้องประเยชปะุณประการยต่อพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งอีประการหนึ่งด้วย เพราะนั่นคนผู้ปฏิบัติควคมคโยคือโยคือแต่ว่าบางเพื่นเพี่อนเพืยอนอะไรเือแล่ว่าวิริยะอุสาหะไม่ค่โยคือนี่จะแปลให้สูงน่ดไปคือสร้างบารมีคือไม่ตัวทั้งหมดกลาที่จะสร้างความดีหแต่ตัวไม่ต้องกลัวนใครไม่ต้องตัวสังเซินมชาแจกประการใดหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกัน มีจุดมา่หมายของบารมีของโยคีไม่ใช่โยคีแต่วิริยะคือบารมีวิริยะบารมีนี่มันชั้นปัดถอมของคนเข้าสุวัดแต่ธรรมโยคีโยคะไม่ละลดละอาวนาคือเพียงโค้งไอ้ตัวท่างผู้ใดต้องกลาช่างความดูท่างนอกทางในทางจิตทางขอบคิดในชีิตนิยมีถัดมีิจกรรมอย่างไมกขึ้งขอเจริญพรอย่างนั้น ขอฝากไวด้วยไม่ใช่มาสร้างความเสียเกลือนถ้าท่านทั้งหลายไม่มีบุญวัสนาจะไม่นำพามาสุ่ที่มื้อของรายการยุคติกรสมาโรณแห่งกสิทธะบนส่องกุศลก็ช่วยท่านถึงชราวมวยในมวยมลนาถึงชราวมาก็มาด้วยบินวัสนามาคนที่ไล่ค่าขาดบุญวัสนาก็จะไม่มีเวลาว่า เวลาหาไดยยากมาถึงไม่โห่าจะมาก็มีนิดๆ ห, หน่อยๆเากาจญากิที่นอนได้ด้วยคนที่มีบุญเท่า น, นั้นจะมาได้วาชนานี่ได้มาจากบารมีกูจนบุญญาติสืบถึงเมื่อใดวาชนาส่งผลกูส่งก็จะได้เพวยอพื้นฐานม้อยในม้อยมารณาแน่งานที่สดอยู่ในสดนี้เป็นกดนิพพานและเป็นหลักธรรมที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาคือโยคี ผู้บำเพ็ญเพี้ยนสูงอ้ายบำเพ็ญเพี้ยนสูงนี่มมหมายความว่ายากสิเลิดห้ายเป็นเกิดเหิถอนจะกลัา ม, มาพูดไว้วันต้อนแล้วบอกว่าโยมมาใช้ชีวิตจริงอยู่ที่บ้านจอมปลอมหล อ, อกลวงล่อหลอหล อ, ล อ, อกเรียงลางสมองก็มากมายแต่ไม่ใช่ติดใช้ชีวิตจริงอย่างเดียวใช้พี่สูตรความถูกต้องทัง้งอรมณ์ยอมเดียอย่างที่คุณโยอมแม่เดียสอนลาศ และก็ยมิเคียนพร้อมโดยคณะปนาจาร์หลายท่านได้ช่วยกระสอบอารมณ์นั่นแหละเป็นการที่สูดการผูกต้องของตนเองแต่เราก็ไม่เคยจ้ยใงใจว่าไ ด, านดา้นอนได้นึ่ก็ใช้ได้ไม่ใช่เพื่สรูดอารมณ์ที่เราตั้งแต่ชาตมาคนมละยายนั้นแต่ไขปัญหากําหนดได้ไหมตัวต า, า, ามใดทาให้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาได้ในจุดไหนบ้าง อันนี้มีความหมายหรือเกินเพราะฉะนั้นปัญญาหน้าจากการที่สูตรความถูกต้องนั่นมันเป็นการแก้ปัญหาได้ชัดเกินถ้าเราที่สูน์ไม่ได้เอาแต่ผูกใจเอาแต่อารมณ์ของเราหนักดุ๊เบาหน่อยให้อภัยกันไม่ได้แล้วรับรองท่านจะไม่ได้ผลเอาสิบตัวอัรที่ได้าก็จ ะ, ะนั่งความถูก ต, ต้องออกมาในรูปแบบสา ม, มารถจะแก้ปัญหาได้ทุกประกาน เรียกกรรมาฐานแก้ปัญหาและก็ลึกก็จะลงไปให้เหตุอ่อนถึงอดเหตงการจาการกระทาของตอนนี้เองก็จะโผล่ออกมาว่าแก้ตาได้ด้วยแก้อย่างไรนั้นขอให้ท่านติดตามฟัตงต่อไปมีปัญหาอยู่มากนิดหน่อยแต่เราพาไปคนอื่นมาแก้เรามันจะถูกกล้องหรือเราสร้างเวรสร้างกรรมไมมากหลายให้คนอื่นมาเชื่อเรา เไกลไม่ได้โดยก็มีการจเจริญมุตสนากรรมฐานเจริญสจิปัามมาาจจานทสื่เป็นการแก้กรรมให้กับตัวเองเป็นการรู้เหตุผลที่เราสร้างกรรมโดยไม่ปฏิเสธที่ข้อหาเปิดเผยกับตัวท่านเองไม่ใช่คนอื่นมาบอกที่ข้านที่สู่ความถูกต้องเป็ตัวบอกถึงทัวท่านเองบอกเหตุผล ท, ที่เราดิจฐา น, า น, า น, นต้องอดีตมานั่นถูกต้องที่ไม่เป็นการใด ท่านจะรู้แจ่มปัจจัยเป็นกัจจางตอนนี้เอินขอให้ท่านที่น้องโยถือโปรดอย่ากลัวใครตองกล้ากล้ารวามดีไม่กัวใครจะินทาว่าลายทางนั้นใครจะยากกลายไล่ฝ่ายตื้อย่างไงไม่ฟังถือไม่เชื่อต้องกล้าบัเพงก็โยชดให้กัจออจาาอนให้จองได้อย่างนี้เหลียมอย่าโยคือตรุษในรถละภาวานาไม่กลัวท่านพูดในไม่กลัวถือขังเทวดา ไม่กล้ากลัวเขาจะว่ามาวัดนี้วัดโน้นเพื่อไปสง่งไปกระทำใดไม่กล้ากัวใครว่าอย่างนี้สามีจะดาว่าก็ไม่กลัวภรรยาจะว่าก็ไม่กลัวกล้าเบี่ยงเบ้างความดีไปเผยแพ่ให้สา ม, มีภรรยาและลูกหลานของตรไมชอบครัวของเราอันนี้เกิดม่หมายถึงโยคคือมีโยคะในพระภาอวานามไม่ใช่สร้างความเทียมอย่างเดียวคือถ้าสร้างความเทียมนะ ฐานามเพียรมากแต่กลัวน้องตัวนี่รับรองที่น้องทําไม่ได้ต้องทำไม่ได้เนี่ยกาแบบลังจะสร้างฐานเพียรคนโน้นคนนี้คนนี้ก็ประชึกคนนีน้ก็ประชื้อคนนัน้นนึกหม่คนนัน้นอยากนึกคนนี้นึกหม่เลิกจากบบ้านเลิกหลับบ้านไ ล, กกลบบานา้า่าดปัญหาชีวิตชีวิตก็เคยเคยใจก็เคยเคยเคยตัวเคยตัวแล้ก็เคยตัวค่ะ รักตัวคนงงตัวคนมึดแขนตัวตายหยกดคนไหนรักตัวต้องหมายตัวตายถึงจะเรียกโยกที่กล้องมึงกล้องรับตัวไม่ตัวตายท่าใทยไม่ตัวตายคน น, น, นั้นถึงโยกพระประลยชน์ละภาวนาถึงจะแก้ปัญหาได้แล้วจะสา ม, มารถจะรู้กดเห่งกรรที่เราทําอะไรไว้ด้วยเพราะฉะนั้นทำมาสามหลักนี้ท่านจะต้องได้ไปหลักหนึ่งหลักที่หนึ่งคือรู้เหตุผล ข, ของตัวเองโดยความถูกต้อง จะละลึกธาของตัวเองได้อันดับต้น้ําตาจะไหลออกตามาสงสารตัวเองคิดถึงบิ ด, ดามรรดากู้มีพระคุณอย่างกาลุณินานนี่เรียกว่าละลึกถึงบุพการีได้ข้อนี้เป็นพ่อได้ไหเนี่ยจามแม่ตาตัวเองเพิ่มขึ้นนาสงสารตัวเองไม่เคยจะกินไม่เคยไม่น่าจะไปกินเหล้าเม่าตูราเหมือนจะก่อน ม, มานาสงสารนี่ละลึกธาตุาตุคือตัวเองอย่างนี้นะ ไม่ใช่เรื่กเลยใช้ใจขู่ชายเป็นเมียชายอย่างบางวัดนางลาบหูลาบตาแล้วก็บอกว่าโอ้นี่ประชายก่อนเคยเป็นแม่กันคนนี้เป็นพ่อทันคนนี้นนเป็นเมียกันมีหลายวัดหยาาขอฝาบแล้วอย่าง้อมันเกินไปนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสติปธานสื่อทำให้คนมีปัญญ า, มามไม่เกิดชินโลกไม่เคยชืนไม่ใช้งงเงาตาวตูนกฎประการใดต้องการให้บุกเถิดคนไม่ตได้และบุกภาพคือบุกคตาลิก อันนี้กางได้แน่แน่นอนที่สุดอารมณ์ลเล็ก่อดีสองพอดีปามสื่เล็กชุกเข้าบิรยาณแยกรูปแยกภามอย่างที่คุณแม่สอนแล้วเขาในภาวะนี้รู้เส็จเบียนายบางประการจะเข้าใจเหตุผลว่าอ๋อนี่กรรมมาซัดเราข้างอดุที่ผ่าน ม, มาแล้วจะรู้เวนลูกกันพูมาริงานที่ลุกถ้าคนไหนลูกมาที่รู้กานงานรับผิด้อ บ, บานนั้นเมื่อคนลู ก, กว่อสินตันคนไหนละขาพุทธ ไม่รู้พอคลิกเครื่องกรอนแล้วก็ไม่รับสภาพชีวิตคนนั้นไม่รู้นาทีการ ง, งานไม่รับผิดชอบคนที่ไม่รับผิดชอบจะแป ล, ว, ลว่าไม่รู้กฎแห่งกรรคนที่รู้กฎแห่งกรรมนั่นคนมีสภาพชีวิตดีโลกการรับผิดชอบหน้าทีว่เป็นสาหมีเขาด้วยกนภรรยาเขาโลกในนามชติดาาดามารดาด้วยไปในฐานะเป็นลูกโลกช่นกข้าไ ป, นไปในคร อ, อนี้จึนรู้กฎแห่งกรร ว่าทำหน้าผิวสภาพควาเป็นอยู่โคกต้องหรือไม่ประทานได้น่รู้กันกันแต่ความสภาพอย่างลึกซึ้งของกรรมฐานถ้าคนไหนไม่รู้นี่ใจไปเลยไม่ได้อะไรเลยจะไม่ได้อะไรเลยถ้าท่านมานี่ท่านจะได้อย่างกรรมือเมตตาตรรมีือเมตตาต่อการจะรักให่ปล o n ดองเหมือนญาติถึงองุ่นกันปล o n ได้อย่างแน่นอนธารมได้คอนี้เจ้าเป็นยักษ์ไม่เคยเป็นมนุษย์ กลับตุกข์แนจะสุดซึด้งขอนี้เป็นความหมายทั้งการจเจริญสติปัญฐาสื่อแน่นอนที่สุดไม่มีอะไรที่จะผุดขึ้มนมาอย่างดเดนชัดนี่หลกการที่ถูกความถูกต้องนะถ้าจะไปหาตำราวิชาการไหนดูว่ามันถูกต้องอยังไงถ้าจะหาทั้งกายฉันก็นไม่รู้แล้วเอาจะถูกใจเอาจะอารมณ์ไปเปิดหนังสือดูสักเล่มถ้ า, าจะชอบบางเล่มบางเล่มฉันจะไม่ชอบมันรงใจกระใจายครับมันเพลจะหยดำ บางทีไปฟังพระเทศรไปไปชอบพระเพชแล้วก็ไปเปิดเทปดูว่าท่านใดหรือวอ่ายังไงท่านพูดสอนทำมากไปเรื่อยแต่มันไปกลงอันตรธานข้อนั้นเท่าถูกใจคนนั้นคนนั้นก็ไม่พอใจนี่เหตุผลถ้รามาเจริญสติปัฏฐานสื่อดังที่กล่าวมาลรามีสุขการรับรองหลักปัญญาประเสริฐว่าตัวเองถึกถูกเรื่องใดรู้ชอบรู้ถึกรู้ถึกรู้ถูก พอเช็กจึงก็จะปรากฏชัดเพิคุณธรรมองไกลที่การจะพัฒนากรรมฐ า, านก็ น, นี้เป็นบทสันท์แต่เราจะได้แค่ไหนนั้นมันไม่เหมือนกันในญะาติโยมทลายนักโยกปีชัยเพราะต่างกลต่างมีปัญญาไม่ใช่กันมีควานศึกถึงในตรงกันพิเภกก็ไม่เหมือนกันด้วยจะได้เหมือนการทุกคนคลองเมยายนีย่แต่หากว่าทานศึกจะงบศึกเชิงกับตอนนี้ศึมุ่งหมายข้งยานพัฒนาอิสุขุละบรองถ้าจะความเห็นตรงกันในต่นนั้น ก่อ น, นี้ยัตร ง, ไงไ่กันมาหนาสู๋อย่างนั้นเมือนแค่เพือกอนมีชาก็ะตว่าลายกันไปตามเรื่องตามราวของท่านผู้ปฏิบัติแต่ถ้าเผ่จโจมุ่งหมายอันเดียวไปแน่กลายจะฟังเท่มบบระดับยากลู่ยานทัฒนณอิสุทธิที่เข้าสู่จจมมุ่งหมายความติดใจแน่ท่านจะมีความชิดใช่หรือไม่ถึงจะเพียนจะไปบ้างก็นอ้อยจนเพื่อับพูดกันรู้เรื่องมากขึ้นและจะพูดกันความเข้าใจกับเพื่อน มีเหตุผลที่นาฟังหลายเหตุการณหลายกระดึนแต่าหากว่าเรามาในวันแรกไม่เข้าใจกันโ อ, อ้ย่างงมืออยากด้้อเอาว่าไปนินทาก็โด้วยบานนินทาเขาด้วยบาอย่างนี้หมายดียางให้มันดีเนี่ยเลดเกิดเหตกามผิดใจเพรปฏิบัติไปปฏิบัติไปอ๋ออย่างนีแล้วถูกไม่น่ า, นาจพ ะ, า พ, ะาาาพูดเลยไม่น่าจะไปแย้งเขาไม่น่าจะไปคิดอย่างนี้พอไปถึงคุณธรรมแล้วจะเข้าในหัวข้อขึ้นเกิดความถิดตั้ง เราไม่น่าแย้งไม่น่าจะพูดเลยเมื่อวานนี้ไม่น่าจะพูดเลยเ ม, มื่อวันเสาร์นเนี้ยเพราะยังมีปฏิบัติได้จิอสงบในแม่จิตสงบแล้วท่านจะออกมาในเหตุท้นในคุณธรรมอย่างนี้ะกะรู้สภาพชีวิตอย่างดีสดและจะรู้หน้าที่การ ง, งานของท่านดีสดในฐานะท่านเป็นสามีในฐานะเป็นสี ร, ริญาแม่บ้านการเรียนจะสมนึกสมัญญาได้อย่างลึกซึ้งมีข้อนี้เสื่ น, นึกเหตุกา ข อ, ของคอือดึกคือละมิข่าของตนเองคือสภาพที่เวทที่เป็นอยู่ด้วยความถูกต้องแต่เราในฐานะว่าลูกของบิยามาดาก็ยังทำหน้าพีดลูกไม่ถู ก, กต้องหาปัญหาว่าพ่อแม่งงเง่าเกาจนไม่รู้จักเหนือหลักใต้ไม่ทนทำไมแล้วก็แย้มผับปัดเลยก็เป็นการเฉียงข้าแม่แต่เราในฐานะว่าลูกก็ถือว่าถูกต้องเรามาปฏิบัติทำกรรมฐ า, า, านท่านจะร้องไห้ การจะเสียใจไม่นาไปเสียงแม่เลยไม่นาไปเสียงพ่อเลยในวันนั้นเป็นการไม่โกรธด้วยการ ท, า ท, าทาักท้วงมีแหละลกิตะข้อนี้เป็นข้อหมายเป็นข้อเชื้อพันย่างยิ่งวิือการที่ให้ท่านประจยายงงมีความหมายอย่างนี้ขอปฏิบัติตามแนวนี้เท่านั้นอย่าเอาแนวอื่นมาผสมเดี๋ยวจับล า, าสองมือไอโนละัะเดี๋ยวมือนละบางครูครบาจารย์สอนไม่เอาไอ้นั่นอย่างอื่น แมาเคยไดทีิสูจน์ละมียังมีหลายคนที่นันอย่างอื่นนไม่ใช่ทองหนอยยุหนอไม่ใช่กะติก็มือนะ่างนี้มันใช้เดีดสบายกว่ามือที่นี้ขอฝากไว้ถ้าอย่างนั้นท่านจะไม่มีผลจผลยังนอนขอฝากไว้อันนี้มันก่อนตายท่สองคนนี้คนดั้นบอกก็ยังไงไอ้พุทธโะอลังสุกพุทโถยตติโสภะวาก็ว่าไปไม่ได้เยก็เลยไม่ได้เลย อ้อากไปเรี่ยไอ้สติสัมปชัญญะเป็นตัวกำหนดเนี่ยทุกคนอยากทำยากถ้าไม่ทำ่าไอ้ของยากยากเนี่ยมันได้ง่ายไอ้ของง่ายง่ายเนี่ยมันได้ยากถูกมาถึงตอนนี้ขอเปลี่ยบเพื่อไอ้ผลท่านถ้านทาั้งหลายปากก้อยชอยไปล้าปากใค ง, งานน่ายท่านจะเดือดร้อนเนี่ยอ้อากไปเรื่องเนี่ยท่านจะไม่มีหลักาฐานสภาพชีวิตนะเพราะขาดสติถ่ายความไปตกตึกชีวิตไม่จับพูดอะไรก็พูดไปเรื่อย แล้วก็ไปรับปากไทยไทยว่าไงก็รับปากเพื่อใครท่านจะเดือดร้อนกับไทยหลังเนะนี่ยนี่เอาง่ายง่ายอย่างนี้เหรอเอา ง, ง่า ย, อ ย, า ย, อ ง, นะยงอย่า ง, งนี้ท่านจะเดือดร้อนเนี่ยกไทยหลังยังไงนอนรับปากไทยต้องอยากต้องกาหนดก่อนกําหนดทิดหนอชิกหน อ, อก่อนถ้ายากไหมทำมอะไรให้ยากมันจะง่ายงไอทำง่ายง่ายอย่างจะได้อยากยจะเดือดร้อนกับไทยหลังนี่ท่านจะไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นี่แก้ปัญหาอยู่ที่ตัวยาก ทำให้ความยาลำบากก็ปล่อยเกิดขึ้นก่อนเพาจะนั้นความสุขที่ทันได้เนดือด้ายจากความทุกข์พอท่านทั้งหลายมีได้จากความทุกข์ความเดือดร้อนความลำบากยากเย็นในใจแล้วถ้าจะไม่พบความสุขที่แน่นอนแต่ไปลูกเถิดถือหน่อยมิเน้นมากๆออแม่ทนน้องกรองเี้ยงลูกยังมีอนะไม่เคยทามทุกข์ไม่เคยกระทกระช่ำแต่ท่านดูได้เลยแย่เท้าตัวไปน้ําตาจะตกในน้ําตาจะตกในเพราะไม่พบความสุขที่แน่นอน พรอมที่มีจะพบความสุขที่เนี่นอนชิดเล่ยแมเกิดเกิดตอนนี้มากระโดนกินข้าวกัเตือยกินข้าวกัวชัมาเช่นคนจีนจะเชนหมอนลูกเดียวเสียืนเดียวมาไปนาเสียประเทศพายบัตรนีมีเงินเปพันล้านไปหมื่นล้านจกทำหมอนลูกเดียวเสเสือผนเดียวนีทำยากที่สุดอย่าเลยนะทำยากที่สุดแต่อย่าคิดอย่างง่ายๆขอเอาง่ายๆเดี๋วนี้คนชอบง่าอาจะรยมาไปทำนี่นม่เอาง่าย หลวพ่อฮะ้ า, าไปนอนเห็นสวายไปนั่งห้านาทีก็ไปเลยอ่าเห็นพราพิจารณ์อ๋โหเห็นข้านอ น, นก็ลาห้านาทีมันั่งกัแม่คุณแม่เฉลไม่เด็ดผลนีูดีโ ด, ดเลยอาตมาใส่เข้าไปเลยบอกโอโหเห็นเทวาดาแล้วโอโหใจสวรรค์แล้วแล้วอาตมาก็ดูเห็นหนอเห็นหนอยายคนนี้เเจ็นดิจแล้วโลกกระเจา โลกทำคสมัยก็ยิ่งจะเยอ ะ, ะก็เยอะแล้วเกินนี่ขอมาเด้นะมีเหตุผลขอในานการเจริญกัุบันฐานส่เป็นการแก้ปัญหาอย่างไรคือสมาพุทธไรนี่นะถึงวนันนะีนการแก้ปัญหาประการใดโลม่จึงคือผู้เรีย น, นก่อนไอคอนจึงหายาไอคนไอคอนมาเนยะนี่ไอโไอคลมาไม่ชอบมกัามากง่ายมนะักได้เนียชอบเอาง่ายนะแต่ขบอกอ้อแล้วก็ อพุธอโโห้พระพระอาพระพุทธเจ้าลอยมาเนี่ยลอยมานีโอโหสวยโอ้ฉันเนี่ยนึกว่าฉันีก็ป็นโาแล้วไปแม่หันใม่ทานี่นี่โลกนี้เ็เยอะเดี๋ยวนี่ทัวกระทั่วัดวัดไหนทานยากไม่ไต้องไปวัดง่ายงาโอ้ยยมได้ทัดนั่งเล่นนั่งห้าวทีเนี่ยจะต้อเล็กเลยเนี่ยโอ้โห้ตกระดกเลยฟักเงินทำบุญไม่ฟัก และอาจารย์ไปไหนไปทาไปสวนไปเลยขอฝากเขาด้วยไงขอฝากเขาด้วยไงนิ่งง่ายมากได้ไม่มีมากปากคนมีมากปากในเขามีสติชงนะสติชงเลยอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากปาเีคุณโยมอธิบายเนหรือคุณโยมมายกอธิบายแล้วก็ได้มากปากแต่มาพูดขอบทึกให้ชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเท่านั้นก็เป็นการเพิ่มอที่ถึงนี้ขอฝากให้ายหลายเดือ <pos> อันนี้มีความหมายมากคนเอาง่ายชอบไงเงีย้ยมันก็ได้ยากสิมือแลวของเอ้ง่าย